ถามผมเคยโกงเงินวัดไปหนึ่งหมื่นชีวิตพบกับความวิบัติอย่างรวดเร็วทุกอย่างดำดิ่งลงเหวไปหมดผมเชื่อแล้วว่าเป็นผลจากการโกงเงินครั้งนั้นและพบกับเพื่อนที่ทำเช่นเดียวกันรับผลเช่นเดียวกันคุยแล้วเข้าใจหัวอกเดียวกันดีปัจจุบันผมไม่สามารถหาเงินหมื่นมาใช้คืนวัดได้อยากทราบว่าจะใช้วิธีผ่อนส่งทีละน้อยได้ไหมและจะทากับวัดอื่นที่ไม่ใช่วัดเดิมจะได้ไหม เพราะที่โกงมาเป็นเงินบริจาคยังไม่ใช่ทรัพย์สินของวัดครับตอบโกงเงินหมื่นจากเศรษฐีร้อยล้านโทษเบากว่าโกงเงินหมื่นจากคนเหลือหมื่นเดียวเพราะเศรษฐีร้อยล้านย่อมไม่เดือดร้อนผิดกับคนเหลือหมื่นเดียวที่ล้มละลายกลายเป็นไม่มีกินไปเลยแต่การโกงเงินหมื่นจากคนเหลือหมื่นเดียวนั้นยังดีกว่าโกงเงินหมื่นจากวัดมาก ทั้งนี้เพราะวัดไม่เคยมีแม้ต่บาทเดียววัดจะอยู่ได้ก็ด้วยเงินบริจาคเท่านั้นเงินบริจาคนั้นเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากเขาอยากทำบุญกับวัดเมื่อคุณทำให้เจตนาของคนจำนวนมากไม่สำเร็จผลสมบูรณ์จึงมีผลสะท้อนรุนแรงและรวดเร็ววัดมีแต่ความร่มเย็นให้ชาวบ้านชาวเมืองหวังมาพึ่งพา แล้ววัดก็ให้แต่หลักแหล่งอาศัยแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้ช่วยกันสืบทอดทางรอดจากทุกข์การปล้นพระศาสนาจึงเปรียบเหมือนไม่เห็นค่าของการพ้นทุกข์ผู้ปล้นพระศาสนาจึงประสบทุกข์มหันที่เหมือนหาทางรอดยากอันที่จริงเห็นผลห น, หนักๆทันตาก็ดีเหมือนกันครับอย่างน้อยก็ทิมแทงแรงๆให้เชื่อว่าผลของบาปมีไม่ใช่ไม่มี หากเห็นผลของบาปช้าเกินไปอันเนื่องจากบนเก่าพยุงไว้ผลอาจต่างกันมากถึงเวลานั้นคุณอาจไม่รู้สึกผิดหรือกระทั่งหลงลืมจดจำอะไรไม่ได้แล้วเท่ากับหมดโอกาสสำนึกผิดและแก้ตัวให้ดีขึ้นแล้วขอให้ทำใจสบายๆนะครับผิดก็ว่าตามผิดที่ผ่านมารับผลไปแล้วก็ช่างเถิดคิดทำบุญเส้ยใหม่ไม่ต้องจากัดวัดไหน ทำให้มากเท่าที่กําลังจะเอื้อเอําหน่วยอย่าทำจนหมดตัวให้ต้องกงกินอีกนอกจากนั้นคุณควรอุทิศแรงกายแรงใจช่วยงานวัดให้เต็มกําลังกวาดพื้นล้างซ่วมตลอดจนอาสาพระทาโน้นทํานี่ให้ถือเซ้ว่ารับเงินค่าจ้างล่วงหน้ามาหนึ่งหมื่นก็จะขอรับใช้วัดรับใช้พระไปจนกว่าจะครบค่าจ้างซึ่งใจคุณจะบอกเองว่าครบแล้ว เมื่อความรู้สึกผิดจางลงแต่จะกี่ปีหรือแม้ทั้งชีวิตก็คุ้มเพราะคุณจะได้ไม่ต้องไปใช้หนี้ต่อในนรกอีกธรรมชาติบุญบาปนั้นมีวิธีคิดเป็นใหญ่เป็นประธานถ้าคิดให้ตรงเรื่องก็แก้ไขหรือผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เสมอเมื่อใดใช้คืนเป็นเงินหรือใช้คืนเป็นกําลังกายแล้จิตใจโล่งสบายขึ้นก็ให้ตั้งความปรารถนาทุกครั้งเช่น ขึ้นชื่อว่าเงินวัดแล้วคุณมีแต่ยื่นมือไปเพื่อให้ไม่มีวันยื่นมือไปเพื่อหยิบอีกเลยเป็นอันขาดผลของบุญที่ตรงประเด็นจะส่งผลให้ใจคุณใสซื่อขึ้นเรื่อยๆและอายต่อบาปมากขึ้นเรื่อยๆแม้บาปเก่าไม่อาจถูกฆ่าให้ตายได้สนิทอย่างน้อยผลย่อมอ่อนกำลังลงเรื่อยๆกระทั่งคุณไม่ต้องทนทุกข์ยากดังที่ผ่านมาผลบุญอันดับแรกที่เห็นในปัจจุบันชาติ จะปรากฏที่จิตถ้าจิตของคุณสบายขึ้นมีความสุขมีความชุ่มชื่นใจไม่แห้งแ้งอย่างผ่านๆมาอันนั้นเป็นตัวบอกได้ระดับหนึ่งครับว่าจิตเริ่มถอนจากหล่มบาปบ้างแล้วบอกไว้ล่วงหน้ายิ่งตั้งใจสัตว์ซื้อก็จะยิ่งมีเรื่องล่อใจให้คุณเลิกซื่อสัตว์หากคุณผ่านด่านทดสอบได้แต่ละครั้งจะรู้สึกถึงความเข้มแข็งตั้งมั่นของจิตมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงจุดหนึ่งคุณจะเกิดกำลังใจเห็นตนเองมีดีพอจะเป็นคนดีและอยู่ดีมีสุขเยี่ยงวินอยู่ชนคนหนึ่งแน่นอนครับ สนใจชี l ิตหวังจะรู้ว่าทีคิดได้จะสายไป